เกินน้ำทีเสียงดังเลยไม้มันอยู่ใกล้คอไม่ อ, อยากทำไงอยูู่ตามเพราะใจหร อ, อื อ, อเราก็มาเติมน้ำมันกันอยู่เรื่อยๆนะการทำบุญการรักษาศีลนะเป็นการเติมน้ำมันให้กับจิตใจ จิตใจเราจะได้ไปสูงได้เหมือนเครื่องบินเครื่องบินนี้จะเหินฟ้าได้ต้องมีน้ำมันถ้าไม่มีน้ำมันก็เหินฟ้าไม่ได้ใจิตใจเราจะไปสู่สุคติไปสู่นิพพานต้องมีบุญมีศีลทำบุญมีการรักษาศีลมีการภาวนา แล้ใจของเราก็จะบินเหมือนกับเครื่องบินเหมือนกับจรวดถ้าไม่มีบุญก็ต้องเดินต้องเข็นเข็นรถเนี่ยเวลารถจะมันหมดดีไหมแทนที่เราจะขี่มันมันกับขี่เรา <c oughs> เราต้องอยากประมาทต้องคอยตามบุญอยู่เรื่อยเพราะ นันฮะเพราะปั๊มน้ำมันนี่บางทีมันหายากชีวิตเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นเวลาเป็นเวลาที่เราได้ไปเจอปั๊มน้ำมันเพราะพบของมนุษย์เท่านั้นเป็นพบที่เติมน้ำมันได้เติมบุญได้ถ้าไปเกิดเป็นพพอื่นเติมไม่ได้เช่นไปเกิดเป็นเลขาชานี่สัตว์ที่อยู่ใน ในเขาเนี้ยอยู่ในป่าบนเขานี้ยทำบุญไม่ได้เลยตอนนี้เขากำลังรับผลบาปเขาอยู่ไปเป็นเดรัจฉานก็ไปรับผลบาปที่เขาทำไว้ตอนที่เขาเป็นมนุษย์เพราะเขาไม่ศรัทธาไม่เชื่อบุญหรือไม่รู้ไม่รู้บุญรู้บาปไม่มีใครสอนเขาก็ต้องทำไปเพื่อเอาตัวรอด เขาก็เลยอยากได้อะไรอยากจะกินอะไรเขาก็ mm hmm. ทําบาปกันไปขโมยบ้างไปไปฆ่าบา้างไปประพฤติผิด ต, ตัวเองบา้างไปก็หกหลอกลงบา้างเนี่ยเพราะเขาไม่รู้จัก บ, บุญไม่รู้จัก บ, บาปต่างกับพวกเราพวกเราโชคดี เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยสอนคอยบอกให้เรามันทำบุญมันละบาปนี่แหะการมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับการไปพบสถานีบริการไปพบปั๊มน้ำมันเวลาโยงขับรถคอยดูเกน้ำมันหรือขับเป็นไปไม่สนใจเจอปั๊มน้ำมันก็ไม่สนใจ ขับมัไปอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไปตายกลางทางเราต้องคอยดูดูเกน้ํามันก็คือชีวิตของเราเนี้ยมันจะสั้นลงไปเรื่อยเวลาที่จะเติมน้ํามันมันก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยถ้ามือเอาแต่ไปเล่นกันไปหาความสุขกัน ทางตางหูจมูกเง่นกายไปเที่ยวไปอะไรกั น, นลืมเวลามาเติมน้ำมันกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หมดเวลาคนเราตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ตายได้ทุกปวยเด็กบางคนเกิดมาวันเดียวก็ตายแล้วบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เดือนหนึ่ง บางคนก็สองเดือนสามเดือนมีตายทุกทุกวัยพวกเรานี้ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่กันหรือเปล่าคิดอย่างนี้กันเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเราจะได้รีบเติมบุญกันเยพบกองมนุษย์มันวิเศษตรงเนี้ยตรงที่เราสามารถมาเติมบุญได้สามารถสามารถมาละบาปได้ แต่ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานบุญก็ทำไม่ได้บาป ก, ก็ยังต้องทำต่อเพราะต้องอต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยนอกจากสัตว์ที่กินผักกินหญ้ารู้สึกสัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์ที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก่อนสัตว์อื่นเพราะเขาไม่ค่อยได้ทำบาป เขากินแต่ผักกินแต่หญ้าพวกสัตว์ที่กินเนื้อนี่มันยังทำบาปต่อโอกาสที่จะมาเป็นมนุษย์ถึงคงจะอีกนานต้องรอให้มาเกิดเป็นสัตว์ที่กินผักก่อนพอมาเป็นเป็นสัตว์ที่กินผักก็ไม่ได้ทำบาป ก, ก็ใช้บาปไป พอบบาปหมดกำลังที่จะเดึงไว้ให้อยู่ในอบายก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ขึ้นอยู่ว่าจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปหรือเปล่าหรือถ้าไม่รู้ได้ไปพบกับคนที่รู้หรือเปล่าอย่างพวกเราที่โชคดีมาเกิดในเมืองพุทธมีพ่อแม่เป็นพุทธ พ่อแม่สอนให้ทาบุญสอนให้รับบาปพ่อพ่อแม่ไปวัดอยู่เป็นประจำทุกวันพระไปฟังเทศฟังธรรมก็รู้เรื่องบุญเรื่องบาป ก, กันชาวพุทธเราจริงถือเรื่องทำบุญนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามาวันล้วไม่มาทาบุญไม่มากันใช่ไหม แต่มีพวกที่เขาไม่รู้เรื่องทาบุญรู้แต่เรื่องภาวนาพวกฝรั่งพวกต่างชาตินี่เขาจะรู้แต่เรื่องภาวนาเวลาเขามาวัดเขาไม่มาทาบุญเขาบอกเขามาภาวนาเขามากินข้าววัดเพราะเขาว่าวัดเมตตาแต่เขาไม่เมตตาวัดบ้างเขาไม่ยอมทาบุญ เขาไม่ได้เกิดในเมืองพุทธเขาเกิดในเมืองที่เขาอาจจะเกิดในเมืองที่ที่ไม่มีใครทําบุญกันแล้วเวลาเขาบวชเขถาถวายใจวะคะอาจารย์ก็คนไทยเหล่าเนีน่ะเป็นเจ้าภาพใหดังนั้นนอคนไทยเราชอบทําบุญก็แย่งกันทําแย่งกันเป็นเจ้าภาพเลยเขาก็เลยไม่ต้องฝากกระเป๋า เขาก็เลยทำบุญไม่เป็นที่ชาวพระฝรัง่งที่มาอยู่เาืองไทยแล้วไปเผยแผ่ไปสร้างวัดที่บ้านเขาถ้าไม่มีคนไทยคนลาวคนขเขมรที่อพยพปไปอยู่ที่นั่นอยู่ไม่ได้อดตายเพราะฝรัง่งเขาไม่เขาทำบุญไม่เป็นเขาจะเอาแต่ภาวันเขาจะเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียว เขาก็เลยต้องไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็เก็บค่าปฏิบัติวันเป็นพันเลยถ้าไม่เก็บก็เจ๊งอยู่ไม่ได้เขาทดลองจะให้บริจากก็ไม่มีใครบริจากเขาก็เลยต้องมีลักเป็นเหมือนโรงแรมเป็นเหมือนเป็นเหมือนอะไรที่คอร์ส ท, ที่เขาจัดกัน อยงที่ก็มีในเมืองไทยก็จัดข้อตามโรงแรมเนยให้ไปฟังแล้วก็ไปปฏิบัติ mm hmm. เขาก็มีค่าใช้ใจ่าย mm hmm. เขาก็ต้องเก็บแต่ mm hmm. ถ้ามาวัดนี่ถ้าเป็นคนไทยไม่ต้องบอกอะอย่างน้อยก็ต้องมีค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดนะ mm hmm. อย่างน้อยก็ใส่บาท mm hmm. แต่ถ้าเป็นต่างชาติ mm hmm. เขาทาไม้เป็น น, นี่ถึงแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไดไ้ไม่ได้มาเกิดในครอบครัวของชาวพุทธก็จะไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปกัแทนที่จะมาเติมบุญเติมน้ำมันเพื่อจะได้ส่งใจให้หลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ได้ไปก็กลับมาเป็นมนุษย์แทนที่จะมาทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนา ก็ไปเที่ยวกันดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าเอาเงินซื้อรายกาซื้อกระเป๋าซื้อรถเก๋งซื้ออะไรกันซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายพวกที่เล่นดนตรีก็ซื้อกีตาร์ซื้อเปียโนหรืออะไรร้อยแปด ถ้าของถ้าใช้ให้กับกิเลสนี่ยินดีแต่ถ้าให้อามาเติมน้ามันนี่ไม่ยินดีตายไปยึ่งไม่มีน้ำมันต้องมารอนรับน้ำมันจากคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยที่เราอุทิศบุญก็อุทิศน้ำมันให้กับพวกที่ตอนที่เป็นมนุษย์ขี้เกียจเติมน้ำมันกันอตายไปเลยรถรถไม่มีน้ำมันก็เลยต้องเข็นรถ ก็เลยต้องสง่งส่งข้อความมาขอให้ช่วยสง่งส่งน้ำมันไปให้หน่อยพวกเราก็เลยเวลาทําบุญก็เลยต้องส่งน้ำมันไปอุทิศบุญไปบุญก็คือน้ำมันที่ขับเคลื่อนจิตใจให้ไปสู่สุขติถ้าไม่มีน้ามันก็ไปไม่ได้แล้วถ้ามีบาบาก็ลากให้ลงไปสู่อบาย ทำบา ก, ก็ลากไปสู่อบายฆ่าสัตว์รักทรัพย์ระพฤติผิดเวยนีถ้าทําโดยไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ว่าเป็นบาป ก, ก็ไปเป็นเดลชาญเดลชานก็ไม่รู้ว่าเขาทําบาปเพราะเขาคิดว่าเป็นเรื่องการเอาตัวรอดถ้าไม่ถ้าไม่ฆ่าก็ก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่ขโมยก็อยู่ไม่ได้ ท้าไม่ประพฤติผิดไวปวีณีก็ไม่มีความสุขใช่ไหในราชการเขามีงานแต่งงานหรือเปล่าเขามีเมีมั่น ม, มีมีคู่หรือเปล่าเขาก็เขาอยากเมื่อไหร่เจอกันที่ไหนเขาก็เหมือนแถวพัทยาใช่ไหงพอหลงฝรั่งมาจากที่ไหนมาจากเมือง น, นอกเมือง น, นา ไปเดินตามบาตามผับเจอคนไหนถูกใจก็เอาไปเป็นแฟนอันนี้ก็ทำพวกนี้ไม่รู้ว่าบาปเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็เรียกอะไเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ต้องเสพกามใช่แต่มนุษย์นีมีวิธีเสพกาม การเสดกรรมของมนุษย์กับการเสดเสกรรมของเดรัจฉานไม่เหมือนกันมนุษย์นี้เขามีการสู่ขอขอจากพ่อจากแม่แล้วก็สัญญงสัญญาว่าจะนักกันไปจนมันตายเป็นคู่ผัวเมียเดียวไม่มีคนอื่นนอกใจชีวิตของ ผู้ที่ของเรือนถ้ามีศีลข้อที่สามก็จะมีความสุขจะไม่ต้องมากังวลกับปัญหาที่เกิดจากการประพฤติผิดอะไรนี้ยอยู่กันเชื่อใจกันล่างกันแต่ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์มันก็ไม่มีความสุขแล้วพอรู้ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ ความสัมพันธ์ที่ดีกันขนาดไหนก็พังทลายอันนี้ต่างกันมนุษย์กับเทะฐานถึงต่างกันเทลฐานเขาถึงเวลาเกิดความกำหนัดยินดี mm hmm. เขาพบกันที่ไหนเขาก็เขาก็ร่วมกันแล้วพอเขาเสร็จเขาก็ทิ้งกันไปตัวใครตัวหนึ่ง ไอตัวที่ตั้งท้องก็ต้องไปเลี้ยงลูกเองไอตัวที่ทำให้เขาท้องมันก็ไม่สนใจไม่มีความรักผิดชอบอ น, นีคือลักษณะของเดรัจฉานถ้าไม่มีศาสนา<ม>ก็จะตัวเฉพาะศาสนาพุทธก็จะไม่มีใครสอน เรื่อการประพฤติผิดประเวณีถึงแม้มีมันพยายามที่จะไม่เรียนกันแล้วตัวันนี้ไม่ค่อยอยากจะเรียนกันก็เมืองพุทธแท้ๆทาไมมีที่อย่างนี้ได้ถ้าเป็นเมืองพุทธจริงอ่ะถ้าเจ้าของร้านเป็นชาวพุทธจะมากล้าเปิดเปิดบาเปิดผับเลยใช่ไหมเปิดซ่อ ง, องนี้เปิดได้ถ้าเป็นชาวพุทธ ก็รู้อยู่ว่าเป็นมิจฉาชีพมันนั่นเปิดกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นพุทธจริงไงเป็นพุทธในทะเบียนบ้านแต่ไม่เคยเข้าวันเลยไม่เคยฟังเทศฟังธรรมไม่เคยใส่บาตรไม่เคยรักษาศีลถ้าจะทําบุญก็วันเกิดวันปีใหม่ทารองนี้ทาพร้อ ม, อมออปากพอมคอ แต่จะให้ทำเป็นนิสัยเป็นหน้าที่นี้ไม่ไม่ทำแล้วคำสอนของพระเจ้านี้เป็นเหมือนหน้าที่ที่พวกเราต้องปฏิบัติตามเราถึงจะได้ประโยชน์ทำบุญแค่ปีละครั้งสองครั้งมันไม่พอหรอกมันต้องทำทุกวันเหมือนเติมน้ำมนันรถเราต้องเติมอยู่เรื่อย ถ้าปีหนึ่งเติมหอนเดียวนี่มีมีใบหนายได้ว่ะอาทิตย์หนึ่งก็ต้องเติมครั้งหนึ่งเนาะอย่างน้อยก็ต้องอาทิตย์แล้วแต่ใช้มากใช้น้อยขอให้เรารู้ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นโชคมหาศาลเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่เรามีโอกาสที่เราจะได้เติมน้ามันกัน จะได้ไปถึงนิพพานเลยถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาถ้ายุคอื่นก็ไปไม่ถึงนิพพานไปขั้นโล ก, กุตละธรรมไม่ได้ไปได้แค่ขั้นโลกียะโลกียะธรรมโลกียะก็คื อ, อยังติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิด โ, โลกียะชั้นสูงสุดก็ชั้นสวรรค์ชั้นพรหม ลองลงมาก็สวรรค์ชั้นเทพลองลงมาก็พบของมนุษย์แล้วต่างกับมนุษย์ก็เดรัจฉานเปรตอสุรกายนารกอันนี้เป็นโลกีะเป็นตตพภพเป็นสังสารวัตรเป็นพบที่สัตว์โลกต้องต้องไปเกิดกันหนีออกจากตายภพนี้ไปไม่ได้ เพราะไม่มีพระพุทธศาสนามามาพาไปถ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนานี้ท่านจะสอนวิธีพาให้เราออกจากไตรภพนี้ไปออกจากโลกียะให้ไปสู่โล ก, กุตตะระโล ก, กุตตะระก็คือเหนือโลกเหนือเหนือโลกของโลกียะไปแล้วไม่ต้องกลับมา ไปก็ถ้ากลับมาก็กลับมาไม่นานอย่างดูปุตระขั้นแรกขั้นโสดาบานันนี่ไปแล้วก็ถ้าจะกลับมาก็ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าขั้นที่สองขั้นสกริรดาคามีก็กลับมาเพียงชาติเดียวถ้าขั้นอนาคามีก็ไปอยู่ที่พรมโลกที่เจ็ดชาตินี้หมายถึงเจ็ดชาติมนุษย์ มีพระ อ, อาหารเท่านั้นที่จะหลุดออกจากโลกโลกียะได้อย่างถาวรถ้าพระโสดามานนี้ถ้ายังไม่ไปไม่ถึงขั้นพระอาหารนี้ยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าขั้นสกิรดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวแต่จะไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหม อาาคามีนี้จะไปติดอยู่สวรรค์ชั้นพรมต้องพ้นจากอาณาคามีเข้าสู่ขั้นพระอรหันต์ถึงจะหลุดออกจากสวรรค์ชั้นพรมไปสู่พระนิพพานได้นี่คือโลกุตระที่จะ ม, มีมีให้พวกเราไปศึกษามาลรํ่เรียนมาปฏิบัติได้ ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปเการตัดสรุปของพระเจ้าก็ตัดสรุโลกุตละธรรมนี้เองเพราะโลกียะโลกียะธรรมนี่มีมาอยู่ทุกยุคทุกสมัยแล้วทุกยุคทุกสมัยจะมีคนทำบุญทำทานกันมีคนรักษาศีลกันมีคนนั่งสมาธิกันมีมากมีน้อยก็สุดท้ายแต่อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีมี ม, มีมีนิสัยในทางนี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่เขาก็จะทำบุญทำทานเขาก็จะรักษาศีลเขาก็จะนั่งสมาธิกันแต่เขาจะไม่รู้จักโลกุตระอันเขาจะไม่รู้จักวิปัสสนาจะรู้จักแต่สมาธิแต่ไม่รู้จักปัญญาปัญญาก็คือตายรักอริยสัจสี่ อันนี้ต้องรอให้ พ, พระพุทธเจ้ามาค้นหาคนค้นหาดูอพอค้นพบแล้วก็ในอริยสัจสีก็มีมรมครคแปดมรรคแปดก็จะเป็นทางที่จะพาให้เราหยุดความอยากละความอยากที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีอริยสัจสีก็จะได้รู้จักจ การเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากปัญหาความอยากกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากเป็นอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากใหญ่อยากโตแล้วความอยากไม่มีไม่เป็นไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายไม่อยากจะยากจน ไม่อยากจ ะ, ะดูถูกดูแคลนถูกเขาดูถูกดูแคลนทำนองนี้เรียกวิภาวะตัณหาต้องชำระสาตัวนี้แล้วการจะชำระได้ก็ต้องมีมรรคแปเป็นเครื่องมื อ, อต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสามังกปรที่เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ น้ำมาสารกับโปความดำริชอบความคิดชอบสองตัวนี้จะเป็นตัวประกอบของปัญญา เ, เห็นชอบไปเห็นยังไงก็เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์เกิดจากตัญหาความอยากต้องหยุดมันต้องมีมรรคเป็นเครื่องมืออะไรต้องไปบวชกันถึงจะได้ ถึงจะได้มากกันไปถือศีลสมมากรรมันโตสมมาวาจาสมม า, าชีวนี้ก็คือศีลการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องเรียกว่าสมเป็นศีลเมื่อเมื่อบวชแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ต้องไปเจริญภาวนาสามถภาวนา ก็คือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นองค์ประกอบของสมาธิจะมีสมาธิได้ต้องมีความเพียรชอบเพียรที่จะจารสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็จะได้สัมมาสติสัมมาสติก็คือสติที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่ในความว่างไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งอะไร เีว่าสัมมาสติพอมีสัมมาสตินั่งสมาธิก็จะได้สัมมาสมาธิได้อัปปนาสมาธิพอได้อัปปนาสมาธิก็ไปพิจารณาไตรลักษณ์ได้ไปเจริญปัญญาพิจารณาทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์อยากไปอยากอยากก็ทุกข์ได้มาก็ทุกข์ พราได้มาแล้วตั้งมันติดมันยึดมันติดพอมันจากเราไปก็ทุกข์พอทุกข์แล้วก็ก็ต้องไปหามาใหม่หามาใหม่ก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีในทุกยุคทุกสมัยมีเพียงแต่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเทนะ่านั้น พอหมดพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครรู้จักภริยศาสต ร, ร์สี่ไม่มีใครรู้จักตายักไม่ไม่มีใครรู้จักมักแปดกันก็จะทำได้อย่างมากก็ทำบุญทา ท, ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิไปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาทำทานรักษาศีลภาวนาตายไปก็ไปสวรรค์ชั้นเทพบางชั้นพรห ม, มาก พอบุญเสริมหมดไปเหมือนน้ํามันหมดก็กลับมาเติมน้ำมันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์นะมามนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนปั๊มแต่เติมได้เฉพาะน้ำเบนซินเก้าสิบเอ็ดท่านั้นเองเบนซินเก้าสิบห้านี้ต้องรอให้มีพระพุทธศาสนามามาปรากฏอย่างเงี้เติมเบนซินเก้าสิบห้าได้ถ้าเติมเก้าสิบห้าก็ไปทะลุโลกเลยไปแบบไม่ต้องกลับเลยแต่งผลเดียว ไม่ต้องกลับมาเติมอีกแต่ถ้าเก้าสิบเอ็นี่ต้องกลับมาเติมอีกเพราะไปไม่ไม่สุดขอบโลกแมแรงไม่มีกำลังพอที่จะส่งใจให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของตายพบได้นี่สําหรับพวกที่มีนิสัยทําบุญรักษาศีลนั่งสมาธิเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กี่พบกี่ชาติเขาก็จะมาทําบุญนั่งสมาธิ อารักษาศีลนั่งสมาธิอย่างพวกเราเนี้ยเป็นติดนิสัยมากันของพวกนี้ไม่มีใครบังคับให้ทำกันทำเพราะทำแล้วมีความสุขใจมีความสบายใจเห็นคุณค่าของการทาบุญทำทางเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิแม้จะไม่รู้ว่าตายไปจะได้ไปเป็นพรหมหรือไปเป็นอะไรแต่รู้ว่ามันมีความสุขมีความสบายใจ ทุกชาติที่กลับมาเป็นมนุษย์ก็จะทําอย่างนี้ถ้าติดเป็นนิสัยนะส่วนพวกที่ไม่มีนิสัยทางนี้ก็จะไปอีกทางไปทางอบายตรงนี้ชอบกินเหล้าเมายาชอบดื่มสุเล่นการพ น, นันชอบเที่ยวกลางคืนชอบเที่ยวดูของและเล่นชอบคบคนที่ชอบเที่ยวชอบดื่มชอบเล่นการพนันเป็นมิตรแล้วก็ ภาบความเกลียดคร้านไม่ชอบทามาหากินหากินก็หากินแบบมิจาชีพทำบาปนีพวกนี้ก็ทุกชาติกลับมาเกิดก็จะมาทำแบบนี้เรื่อง้าวัดไม่ไปฝันเลยเรื่องทาบุญใส่บาตไม่ต้องฝันเรื่องรักษาศีลไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาวนามไม่รู้เลยว่าเป็นยังไง รู้แต่ที่ไหนช้อปปิ้งดีที่ไหนกินดีที่ไหนเที่ยวดีตรงนี้จะหาความสุขแบบนี้กันเพราะมันเป็นความสุขของเขาเขาสุขแบบนี้เขามีความสุขจากการเดินสุลาเขามีความสุขจากการเล่นการพนันเขามีความสุขจากการเที่ยวกลางคืนเขามีความสุขจากการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีความสุขจากการไปดูหนังดูละครไปดูคอนเสิร์ตไปร้องนําทําเพลง driveway. เขาก็จะประทับนี้เพื่อนเพื่อนของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะคบกับคนอย่างนี้คบกับคนไปว่าเขาก็ไม่คบใช่ไหมรอคนมาวัดชวนมาวัดขเขาก็ไม่มาแล้วเนื่องมาจากคบกับคนเขามันก็ต้องไปคบกับคนที่ชอบเที่ยวด้วยกันเนี่ยแล้วตัวนี้เกียรตค้างแล้วก็ชอบทํางานน ชอบใช้เงินแต่ไม่ชอบหาเงินพอเงินไม่พอใช้กันแล้วต้องไปหาเงินแบบง่ายๆเร็วๆก็ไปโกงไปลักทรัพย์ไปทำผ<ป>ิกดกฎหมายทำอะไรต่างๆวกนี้กลับมากี่พกอกี่ชาติถ้ามีนิสัยอย่างนี้มันก็จะทำอย่างนี้เนี่ยมีสองพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์มาจากข้างบนกับมาจากข้างล่าง คนมันก่อนที่ก็เขียนคําถามเข้ามาว่าเก็ว่าคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ต้องมีบุญถึงมาเกิดไม่ใช่หรอกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือคนที่ไปใช้บุญใช้บาปจนบาปก็ดึงให้อยู่ในอาบาลไม่ได้บุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้ก็เลยมาเป็นมนุษย์กันแล้วก็มีนิ ส, สัยอะไรติดตัวมาก็จะทําตามนิ ส, สัยเดิมแต่ถ้ามาเกิด มีนิสัยไม่ดีนิสัยทอบทาบาปแต่ถ้าได้มาเกิดในครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ดีก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนได้เพราะพ่อแม่ก็จะพาเข้าวัดพาทำบุญทำบาป ก, ก็จะคอยํำเนิติเตียนลงโทษ mm hmm. อาจจะเข็ดหลาบอาจจะเห็นโทษขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนนิสัยได้ พวกที่เคยทำบาปก็อาจจะเปลี่ยนทิศสัยมาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนาได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มาเกิดถ้าสิ่งแวดล้อมดีก็หล่อล้อมจิตใจให้ไปในทางที่ดีได้นีก็หน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีจะหล่อล้อมจิตใจของลูกลลูกเต้าให้ไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าไม่เกิดในครอบครัวที่ไม่ดีที่ชอบอมายมุกชอบทาบา ถึงแม้ว่านิสัยจะชอบทำบุญชอบรักษาศีลนะแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ทำมีแต่ถูกดึงให้ไปไปไปทำบาปถูกดึงให้ไปเที่ยวไปเล่นก็อาจจะปิดได้นิสัยใหม่มาแทนก็ไดนะ้คนที่เคยชอบทำบุญรักษาศีลนะภาวนาก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่ไม่ชอบก็ไดนะ้ อันนี้ก็้นอยู่ที่ว่านิสัยนี้ลึกไม่ลึกถ้าเป็นสันดานี้ยากถ้าสันดานไม่ดีถึงแม้จะมาเกิดในครอบครัวที่ดีก็เปลี่ยนยากถ้าสัญญาสันดาน ด, าดีไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ดีก็เปลี่ยนยากอย่างพระพุทเธเจ้านี่สันดานดีถึงแม้ไปเกิดในครอบครัวของพระเจ้าแผ่นดินก็ อ, อยากให้อยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่อยู่ะ จะไปบวชสันดานของพระพุทธเจ้ามันไปทางนั้นถ้าลองเขาเป็นสันดานแล้วไม่มีทางเปลี่ยนได้มีแต่จะไปทิศทางนั้นเพียงอย่างเดียวหือถ้าเปลี่ยนได้ก็ต้องใช้เวลามากหน่อยแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้เลยก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้หลายภพหลายชาติด้วยกันต้องกลับมาเจอครอบครัวที่ดีถ้าสันดานไม่ดีแล้ว มาเกิดเจอครอบครัวที่ดีแล้วคอยดอร้องจิตใจให้ไปในทางที่ดีชาตินี้อาจจ ะ, อ, ะอาจจะเปลี่ยนไปบางส่วนแต่ยังอาจจะเปลี่ยนไม่หมดก็ต้องรอชาติหน้าเวลามาเกิเป็นมนุษย์ใหม่แล้วได้เจอครอบครัวที่ดีใหม่ต่อไปก็อาจจะไปในทางที่ดีได้เช่นเดียวกับคนที่สันดานดีแต่ถ้าไปอยู่กับครอบครัวที่ไม่ดีเรื่อยๆต่อไปมันก็อาจจะถูกหลอล้อมไปในทางที่ไม่ดีได้ พวกเราโชคดีเนี่ยพวกเรามีสันดาลหรือ ม, มีสิ่งแวดลอ้อมที่ดีที่ดึงให้เรามาวัดกันมาเติมน้ำมันกันอย่าอาเลิกอย่าหยุดนะถ้าเบื่อที่นี่ก็ไปวัดอื่นก็ได้บางทีเบื่อปั๊มนี้มีแต่ของแจกท้าซ้า ซ, ซักซอยากจะได้รับของแจกใหม่ก็ไปวัดอื่นก็ได้แต่อย่าอย่าทิ้งการเติมน้ำมันอย่าทิ้งการรักษาศีล อย่าทิ้งการภาวนาแต่ถ้าเบื่อครูเบื่อขี่หน้าครูเบื่อเสียงครูก็เปลี่ยนเสียงบ้างก็ได้เปลี่ยนหน้าบ้างก็ได้ลองไปหาครูคนอื่นบ้างก็ได้ไปฟังเทศฟังธรรมของครูคนอื่นอาจจะเผ็ดร้อนกว่า <c oughs> อาจา <c oughs> อาจะมีรสมีชาติกว่าอาจจะได้ผลดีกว่าก็ได้อันนี้เราไม่เสียใจถ้าจะไปมีอาจารย์องค์ใหม่ เราไม่ได้ถือใครเป็นลูกศิษย์ของเราถาวรตายตัวถือว่ามาก็มาไม่มาก็ไม่มาไม่มีข้อผูกมัดผูกพันไม่มีการทาสัญญาว่าจะต้องเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันไปตลอดถ้าเบื่อเมื่อไหร่ก็ไปได้ไปที่อื่นเราไม่ไปตามเด็ดขาดไม่ต้องกลัว <laughs> ม ไ, มไม่ได้พูดความจริงให้ฟังไม่ได้พูดอออืไม่ได้พูดประชดประเชยไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดคิดว่ามาหาอาจารย์องค์นี้ต้องมาเพียงองค์เดียวไปที่อื่นไม่ได้เหมือนกับเป็นผัวอย่งี้เดี๋ยวไปหาอาจารย์หนุ่มเหมือนก็เป็นนอกใจไม่ใช่หรอก ไ, ได้เปลี่ยนอาจารย์ได้บางทีเราฟังท่านแล้วไม่เข้าใจก็ได้ภาษาอาจจะอ ไม่ไม่ถึงใจไปฟังอีกอาจารย์หนึ่งมันถึงใจกว่ามันเข้าใจดีกว่าก็ไปเพราะจริตของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่อย่าให้ทิ้งก็คือการปฏิบัติทาบุญทำทานรักษาศีลภาวนาถึงแม้ว่าจะก้าวหน้าบ้างไม่ก้าวหน้าบ้างก็ขอให้ทำไปการภาวนานี่ การทำทานรักษาศีลภาวนาเนี้ถ้ามีครูสอนดีๆมันก็จะทำได้ถูกต้องแล้วมันก็จะได้ประโยชน์มากถ้ามันคนสอนไม่ดีมันก็จะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ดังน้นบางทีคนก็ต้องไปหลายๆายวัดไปวัดนั้นไปวัดนี้ไปเพื่อที่จะได้ไปรับส่วนที่ขาดจากวัดนี้ วันวันนี้ขาดส่วนนี้ไปวันนู้นอาจจะมีส่วนที่ขาดก็ได้มันก็จะทำให้ได้ครบสมบูรณ์ได้เต็มร้อยนี่คือถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันที่จะปฏิบัติโลกุตตรธรรมได้คือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาเพราะจะไม่มีใครมาสอนให้ละตัณหาความอยากไม่มีใคร สอนให้มันจเจริญ ม, มกักแปดถ้าสอนก็อาจจะสอนแค่ ม, กมกักสองมักทำบุญทำทานรักษาศีลไปบางวันก็ไม่สอนรักษาศีลเอาแค่ทำบุญอย่างเดียวทำบุญอย่างเดียวทาเยอะๆเราจะร่ำจะรวยให้กลับมารวยอีกให้มาติดในการเวียนว่ายตายเกิดอีก ศาสนาพุทธนี่สอนให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ไดสอนให้กลับมาร่ำให้รวยไม่สอนให้กลับมาเกิดเพราะการกลับมาเกิดถึงแม้จะรวยขนาดไหนมันก็ทุกข์เพราะว่าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านก็มาดับความทุกข์ไม่ได้ที่สอนให้ทำบุญเพื่อจะได้ไม่ติดกับเงินทอง จะได้ไม่ต้องกลับมาหาเงินทองอีกเป้าหมายของการทำทานก็คือให้เราเลิอกอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเมื่อเราไม่ต้องหาความสุขจากเงินทองเราก็ไม่ต้องกลับมาหาเงินทองแล้วเราก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ไปบวชได้คนที่ไปบวชนี่เขาเขาทำทานหมดเนื้อหมดตัวเลย มีเท่าไหร่ยกให้คนอื่นหมดเอาไปไปบวชเก้าเพลงอั ฐ, ฐบริคานเท่านั้นเองมีมีอั ฐ, ฐบริคารก็บวชได้อยู่ได้ไม่ต้องใช้เงินทองใช้อั ฐ, ฐบริคารเป็นเครื่องเนื้อชีพแทนจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้ายังต้องใช้เงินทองก็ต้องไปหาเงินทอง ก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติก็วันตอนนิดวันตอนน้อยวั น, ว, นวันหนึ่งนั่งสมาธิกนได้สักกี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีเ ร, รักษาศส้นได้กันสักกี่ข้อใช่ไหมแต่ถ้าไปบวชนี่มันรักษาได้เต็มที่เลยถ้าเติมน้ํามันก็เติมแบบไม่หยุดเลยเติมไปจนกว่ามันจะเต็มถัง ถ้าไม่เต็มถังก็ไม่ออกจากปั๊มล่ะไอ้พวกเราเติมกันปุ๊บเดียวไปลนะรีบร้อนจะไปเที่ยวกันแล้ะจะไปเล่นกันลนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเติมใหม่ เ, <c oughs> เรื่อเนี่ยเราชาตินี้โชคดีที่เราได้มาเจอพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะได้โลกุตรธรรม ได้อริยมรรคอริยผลได้มรรคผลนิพพานได้โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลถ้าได้โสดาก็ปิด ป, ปิดประตูอาบายถึงแม้จะกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจดชาติก็ไม่เกิดในอาบายโดยเด็ดขาดถึงแม้จะเคยทำบาป ท, ทำกรรมมาหนักหนาสาหัสก็ไม่ต้องไปใช้กรรมเหล่านั้นพเพราะ วิปัสสนาปัญญานี้จะคอยดึงใจไม่ให้ไปในทางอบายแล้วถ้าได้ขั้นที่สองสกิรดาคามีมรสกิรดาคามีผลก็จะเหลือเพียงชาติเดียวในการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เองแล้วพอได้ขั้นที่สามก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมอยู่ แล้พอได้ขั้นที่สี่ขั้นผ้าอรหรันก็ไม่ต้องเกิดในตายพบอีกตอ่อไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเกิดเป็นอะไรอย่างที่เคยเกิดเคยเป็นกันก็จะไปอยู่ในนิพพานอยู่ในเมืองที่มีแต่ความสุขในเมืองที่มีแต่คนหนุ่มคนสาวไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตาย เมืองที่พ่อพระพุทธเจ้าสร้างให้พระพุทธเจ้าอยู่แต่มันเป็นนิพพานปองอเพราะว่าคนที่อยู่ในนั้นถึงแม้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าอยู่ไปสักพักนี้มันก็ต้องแก่เจ็บตายด้กันนแต่แก่ถ้าคนไหนแก่เขาก็คัดออกไปคนไหนเจ็บเขาก็คัดออกไปเมืองที่พระเจ้าอยู่ที่พ่อสร้างไว้ประสาทสามฤ ด, ดูนี่ก็เลยเป็นเหมือนนิพพาน พอมีแต่คนหนุ่มคนสาวมีแต่ความสุขจากการล้อมนำทำเพลงมีความสุขจากการดื่มการรับประทานอะไรต่างๆแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเดีย๋ยวถ้าเกิดสงครามเกิดการปฏิวัติขึ้นมาก็หมดถ้าทำสงครามแพ้เขาก็ถูกเขายึดไปพระพุทธเจ้าก็เลยว่าต้องไปเอานิพพานจริงดีกว่าไปหานิพพานจริง นี่พันจริงกเนี่ยก็ต้องเจริญวิปัสสนาก่อนจะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องเจริญสมถะทาําใจให้สงบให้ได้อัปปนาสมาธิก่อนการจะทําใจให้ได้อัปปนาสมาธิก็ต้อง ม, มีเวลาเจริญสติตลอดเวลาก็ต้องไปเปรกวิเวกไปถือศีลแปดสิญสิบสสองร้อยเจดกันถึงจะมีเวลา ที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่เนี่ยการที่จะมาถือสินแปดมาบุญได้ก็ต้องทิ้งสมบัติเข้าของเงินทองยกให้คนอื่นไปจะได้ไม่ต้องไปดูแลจะนั้ไม่ต้องไปคอยหามาหามาเติมหามาเพิ่มถ้ายังต้องหาเงินรักษาเงินอยู่ใช้เงินอยู่ก็ไม่มีเวลาที่จะมาถือสีนกัน ไม่มีเวลามันจริญสติมานั่งสมาธิให้ได้ อ, อปปนาสมาธิกันนี่คือการนับเติมน้ํามันของพวกเาราพยายามเติมกันบ่อยๆแต่ไม่ติดเป็นนิสัยทานนี่ทําให้เป็นนิสัยทําวันละห้าบาทสิบบาทก็ยังดีกว่าไม่ทำํำอย่าไปบอกเอ้เดี๋ยวรอ ท, ทําทีเดียวพร้อมกันพอถึงเวลามันจะควักไม่ออกเพราะมันเยอะแต่ถ้าทําทีละนิดเท่าหน่อยนี่มันง่ายะ แต่ถ้าพอจะมาทำทีเยอะๆทีเดียวมันเสียดายเช่นเราอยากจะใส่บาตรทุกวันไม่มีพระมาเราก็เอาเงินใส่กระปุกแทนเอาเงินใส่บาตรใส่กระปุกแทนพอมีเวลามาวัดก็เอาเงินมาถอยวัดไปจ่ายเป็นค่าน้ำข้าไฟกาอะไรไปแทนก็ได้เหมือนกันวัดเขาจะไปใช้ะายได้เหมือนกันเท่านั้น เพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกจากค่าอาหารมันก็ต้องมีค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่ให้ทําทุกวันเพอจะได้มันติดนิดสัยแล้วมันง่ายเพราะเราทำทีเราทีเราเล็กทีเรน้อยแต่ถ้ามานำ้ำมามาทํากันทีครั้งหนึ่งใหญ่ๆนี่บางทีพอถึงเวลาจะทําเสียดายบางทีก็เปลี่ยนใจไม่เอาไปทําดีกว่า ก็เลยจะไม่ได้ทำกันทำเป็นนิสัยแล้วมันจะติดมันไหนไม่ได้ทำแล้วมันรู้สึกขาดอะไรไปคนที่เคยใส่บาตรเป็นประจานี่บางวันตื่นสายใส่บาตรไม่ทนันพระนี่บางทีต้องขับรถมาใส่ที่วัดก็มีตา ม, มาตามมาใส่ที่วัดพอมันทำแล้วมันติดเป็นนิสยัยทำความดีครับทำให้มันเป็นนิสยัยรักษาศีลก็พยายามรักษาให้มันได้ทุกวัน วันวันปกติก็ศี่ห้าสี่ห้านี่ไม่ขาดกับการดำเนินชีวิตตามปกติของเราทำอาหากินได้ตามปกติดีซะอีคนที่มีศินทํางานจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุดจริญจะเป็นคนที่น่านับถือน่าไว้ใจเป็นคุณสมบัติที่ดีก็ควรกลับไปเห็นว่าไม่ดีพ่อค้าแม่ค้ากล่ว่าไม่ดีรักษาศีห่หแล้วโกหกไม่ได้ <Okay. S 1> เรามาค้าขายเรามาโกหกเขาไม แล้วก็พูดความจริงถึงทําไมต้องมาโกหกกันว่าซื้อมาแค่นี้ก็บอกเขาแค่นี้เลยทำไมต้องมาหลอกเขาว่าซื้อแค่นั้นรถไม่ได้ลดแล้วขาดทุนเงนี้ยไม่ขาดทุนหรอกโกหกกันคนซื้อก็รู้ว่าโกหกโกหกไปทําไมถ้าเขาจะซื้อเ้าก็ซื้อถ้าเขาไม่ซื้อก็ไม่ซื้อหรอกอนี่คือ การเติมน้ํามันของพวกเราพยายามทํากันทำทานรักษาศีลแล้วให้มีเวลามีเวลาดูทีวีดูละครนั่นมันก็ต้องมีเวลานั่งสมาธิได้มันก็นั่งเหมือนกันอาจจงนั่งแบบสบายกว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้ทีวีนั่งหลับตาใช้พุโทโธคําเดียวพุโทโธพุโทโธไปอัตภาวนาบ้างทําใจให้รู้จกักทําใจให้สงบ เกิดต่อไปมีเวลาว่างมากๆจะได้ไปอยู่วัดได้จะได้ไปปฏิบัติได้ถ้าไม่ทําแต่เนิ่นๆเดี๋ยวถึงเวลาไปวัดทำไม่ได้อยู่วัดแล้วก็เครียดพ <c oughs> ้งซ่ากานที่จะได้รับประโยชน์จากการไปวัดก็กลับกลายเป็นโทษไปเลยไม่อยากไปวัดกั น, นขอให้เราพยายามทำบุญทําทานรักษาศีลภาวนากันไป เรืเ่อยๆฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นการเติมน้ำมันที่เราจะสามารถทำได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตายไปนล้หมดสิทธิ์ไปเป็นเทวดาก็ไม่มีใครไปเทศนอกจากมีพระพุทธเจ้าพะ้าหลังบางรูปที่ติดต่อกับเทวดาได้ไปเป็นเดรัจฉานานี่ก็มาอยู่บนเขานี่ก็ไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาฟังก็ไม่รู้เรื่อง บุญก็ไม่ได้ทำทำแต่บาปนั้นขอให้เราถือว่าทุกเวลานาทีของความเป็นมนุษย์นี้เป็นของมีค่าของที่เราสามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของพวกเราให้ได้อย่างสูงสุดโดยเฉพาะในช่วงที่มีพระพุทธศาสนานี่สามารถได้โล ก, กุตระธรรมได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ยังต้องติดอยู่การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะธ า, าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกา ป, กปติ อิติตังปฏตติตังตุมหังคิพะเมวะสัมมจโตสัพเทปเรนโตสังกปาจันโทปนาหะโสยธามณิโชติหะโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพารโขวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภะ อาพิวาทานัสสลิิสะนิจจังวุธาปจายิโนยตาโรธรรมาวะทานเตอายุวันโอสุขังภาลังสบาดีนะเนี่ยฮะดีครับผมค้าขายดีขอให้ดีไปเรื่อยๆนะไปเดือนหน้าเจอกันใหม่ นี่ก็มาทุกเดือนยังขึ้นอุดรอยู่ป่ะไปครับผมอ่าคืพิธภัณฑ์น้องตาเสร็จหรือยังพิธพัณธ์เสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิดได้ยังเปิดได้ดูได้ข้าไปได้แล้วครับผมสวยงามหมสวยงามนะอาจารย์มีกูบาอาจารย์เาที่เราไหว้พระแล้วเราอธิษฐานจิตขอพรอยู่ในใจเนี ขอไม่ได้หรอกมันอยู่ที่การกระทาของเราเราทนั้นได้พรแล้วเนี่ยอันนี้เรามานั่งฟังเทศก็ได้พรแล้ว เ, เราทำบุญทําทานก็ได้พรแล้วไม่ต้องขอแล้วศาสนาไม่ได้สอนให้ขอสอนให้ทำาทาบุญทําทานา ร, ารักษาศีลภาวนานเนี่ยเป็นการสร้างพรขึ้นมาแล้วไม่ต้องมาขอให้พระพระให้ไม่ได้ขอจากพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้ไม่ได้ น่าจากการกระทําของเราเองเพราะว่าบางทีก็ตุค้อนใจแต่เขาบอกว่าถ้าไม่เป่งเสียงออกมาเป่งหรือไม่เป่งก็เหมือนกันไม่ได้ท <c oughs> ั้งสองอย่างถ้า <c oughs> ได้ก็เป็นนายกกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะเนต็มมาเสษถีกันเต็มเมืองเต็มไปหมดลนะแล้วลองเข้าคาถาอย่างหนึ่งหนูชวนคนไปทําบุญอยากใส่บาตรอย่างเงี้ยค่ะ อ, อแล้วดูเหมือน ทุกครั้งที่เราชวนหรือเราเราชวนไปทําบุญอย่างเงี้ยเรากลับเรากลับมีใจอ่ะเราเหมือนเราได้บาเราได้บาใไม่สบายใจใช่ค่ะก็พระเราไปบังชวนเขาแล้วเขาไม่มาใช่ค่ะหรือเขาก็จะโอ้เอ๋ให้เราไปสายให้ไม่ทันเพลินเราตั้งใจว่าจะถวายเช้าก็อย่าไปชวนก็เสิอยงนั้นอย่างนี้คือขึนไม่ขึ้นคือชวนแบบมีมีเป็นชวนแบบกิเลสไงอย่าชวนแบบกิเลส คือบอกเข้าเสร็จแล้วก็จะมาแล้วไม่มาก็ช่างเขาชวนแบบนั้นอยากจะไปชวนแบบชวนต้องต้องมาให้ได้ได้ <c oughs> อย่างนี้มันจะทำให้เราไม่สบายใจ <c oughs> เพราะ <c oughs> ถ้าเขาไม่มาอย่างนี้งั้นชวนได้แต่อย่าไปหวังว่าจะต้องได้สิ่งที่เราบอก <c oughs> บอกบุญได้แต่อย่าไปหวังว่าจะต้องได้ผลจากการที่เราบอก <c oughs> เราทำหน้าที่บอกเขาเท่านั้นเองถึงเวลาทำบุญแล้วนะ จะทำไม่ทำก็เรื่องของเขาเราก็ไปทำของเราไปอันนี้เราจะรู้สึกสบายใจบางที <c oughs> เกิดเขาไม่มีรถเขาอยากจะขอมากกับเราเราก็ยินดีที่จะให้เขามาด้วยแต่เมื่อเขาไม่มาก็ช่วยไม่ได้ก็จะไม่พร้อมไม่สะดวกหรือ เ, เขาไม่อยากก็ได้ <c oughs> เราไปทุกข์เพราะความอยากของเราอยากให้เขาทำบุญอั น, นี้บอกบุญแบบนี้ผิดบอกบุญด้วยกิเลส ต้องบอกบุญด้วยธรรมคือบอกแล้วก็เฉยๆไปตามบุญตามกรรมไปเราอยากจะทําก็ทําไม่อยากจะทําก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่บอกก็บอ ก, กจบะนะต่อไปจะสบายใจไม่ใช่เราทำอย่างที่เราบอกเนี่ยทุกวั น, นหนูก็ก็ถ้าถ้าไปก็ไปไม่ไปหนูก็ไปเองอจบเลย อนนีเฟซประมาณเท่าไรสี่ร้อยยี่สิบกว่าครับอาจารย์ช่ง YouTube 100องยู u ูบห น, นึ่งร้อยค่ะอ๋อหนึ่งร้อยเฟซนี่ก็ย่ขึ้นมาห้าร้อยกว่าอยู่วันหนึ่งมีคำถามไหมต่างชาตินี่ไหมไม่มีคำถามจากคุณมณภชังค่ะถ้าเราชอบทำบุญไหว้พ ร, ระสวดมนต์เป็นประจำแต่เวลาญาติพี่น้องลำบากเดือดร้อนขอความช่วยเหลือบ้าง แต่เราไม่คิดจะช่วยอย่างนี้แล้วเราจะยังได้บุญไหมคะไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เข้าใจความการทำบุญว่ามีขอบเขตกว้างขนาดไหนการช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนก็เป็นการทำบุญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นคนไม่รู้จักเป็นสุนัขเป็นแมวอะไรนี้ก็ทาก็ได้บุญเหมือนกันรังนั้เราต้องขยาย บุคคลที่จะรับบุญจากเรานอกจากพระสององค์เจ้าแล้วก็ต้องทำกับบุคคลที่เขาเดือดร้อนด้วยถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราพอเท่าจะบันเทาความทุกข์ของเขาได้ก็ควรจะทำไปคำถามจากคุณกิติรัตน์ค่ะตอนเช้าตักบาดหน้าบ้านแต่ละท่านไม่ได้เดินพิธบาตวันนั้นเรานำอาหารมาพาและแบ่งผู้อื่นบาปไหมคะไม่บาปหรอกก็เพียงแต่ไม่ได้บุญ ถู้้าาแบบบ่่่่งู้กกก็็ไไไดดุุสวนนทีเริมคําถามจากคุณชูก้าค่ะนั่งภาวนาแล้วเหมือนจะหายใจไม่ออกอืดอัดแก้ไขอย่างไรคะก็นั่งแบบไหนล่ะถ้านั่งถ้านั่งดูลมแล้วอืดอัดก็อย่าเพิ่งดูลมให้สวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปก่อนแทนที่จะดูลมก็ให้สวดเอทีปิโสไปร้อยจบ เสร็จแล้วเมื่อใจรู้สึกเบาสบายก็ลองดูลมต่อไปแต่อย่านั่งเฉยๆนั่งแล้วต้องมีอะไรกำกับใจถ้าไม่ดูลมก็ต้องพุโทโธถ้าไม่พุโทโธก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนสวดไปในใจไม่ต้องออกเสียงคําถามจากคุณแจงค่ะถ้าเรามีเวลาน้อยต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างทําบุญตักบาตรกับนั่งสมาธิ อย่างไหนจะได้อ น, นิสงผลบุญมากกว่ากันเจ้าคะ อ, อ๋อการนั่งสมาธิแน่นอนจะได้ได้บุญได้ความสุขมากกว่าการทำบุญที่เกิดจากการให้ทานแต่ถ้าหน้ า, าจะเป็นขอทานนะต้องเราอยู่แบบพระกันนะพวกที่นั่งสมาธิส่วนใหญ่ต้องมาเป็นขอทานนะแต่พวกที่ทำบุญนี่สยย่วนใหญ่จะมาเป็นเศรษฐีกันนะ มาให้ทานกันก็แล้วแต่แต่บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่ยมันดีกว่ามันหนักกว่ามันมากกว่าบุญที่เกิดจากการทําทานคําถามจากปุณสิริค่ะทําไมเราจึงรักคนนี้ไม่รักคนนั้นแม้ผมใจให้รักก็ไม่รักถ้าหากว่าเป็นเพราะกิเลสของเราทําไมจึงเป็นเฉพาะบุคคลคะก็มันเป็นของฝังใจกันมาไง เราชอบคนลักษณะนี้พอ เ, เจอคนลักษณะนี้ทีไรก็ชอบเหมือนที่เราชอบสีเขียวสีแดงเนี่ยนะทำไมเราชอบสีไม่เหมือนกัน<ม>ก็เพราะเราเคยชอบมาก่อนในอดีตคนก็เหมือนกันคนลักษณะนี้พูดจาแบบนี้ทำท่าแบบนี้เราไม่ชอบถ้าทำท่าแบบนี้ลักษณะแบบนี้เราชอบนี่คือของที่มันปลูกฝังสัญญาที่ฝังอยู่ในจิตใจของเรา อเรามาเจอของบางนี้ปฏิกิริยาของเราก็จะเกิดขึ้นทนันทีจะรักจะช้ำขึ้นมา ท, าทันทีแต่เราแก้ได้ถ้าเราเรั่งสมาธิทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้เราก็จะไม่รักไม่ช้ำใครคนคนที่เคยรักก็จะเฉยเฉยคนที่เคยช้ำก็จะเฉยเฉยคำถามจากคุณเทพมังกรสถานฟ้าค่ะเวลาโกด aw ตายถ้าต่างๆในร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพ จิตเราจะออกจากร่างทางไหนครับจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตเหมือนกับ เ, เหมือนกับคนขับเอ่อจะพูดยังไงดีนะเหมือนเหมือนกับคนที่ใช้มือถือกับกับมือถือนี่ย อ, อย่างนี้ดีกว่ามือถือเสียก็เสียไปเลยก็เพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้มันเท่านั้นจิตก็เพียงแต่เอามือมาจับร่างกาย เอาสักเอาวิญญาณมามาติดกับร่างกายมาเกาะร่างกายเอาวิญญาณมาเกาะที่ตาจะได้เห็นภาพเอา ว, วิญญาณมาเกาะที่หูจะได้ยินเสียงจิตอยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ในโลกก็เรียกโลกวิญญาณโลกของดวงวิญญาณโลกของจิตโลกทิพย์เนี่ยจิตอยู่ในโลกทิพย์แต่ตอนนี้มาเชื่อมติดกับร่างกายก็เลยเหมือนกับว่าอยู่ในโลกนี้แต่ความจริงไม่ได้อยู่ในโลกนี้ เหมือนกับที่เขาส่งยานอวกาศไปดาวพฤจันสแล้วเขาก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์ไอ้ทางสัญญาณวิทยุยานอวกาศก็ถ่ายภาพส่งมารับเสียงส่งมาคนที่อยู่ทางนี้ก็ก็สั่งการไปทางสัญญาณวิทยุสั่งให้ยานะทำอย่างงู้นทําอย่างนี้เอจิตการร่างกายก็แบบเดียวกัน เหมือนกับยาอาวกาศกับคนที่ควบคุมยาอยู่คนละที่กันฉะั้นเวลายาอาวกาศเสียก็ติดต่อกันไม่ได้เวลาร่างกายก็ไม่สามารถที่จะส่งรูปเสียงกลิ่นนัดไปให้ดวงวิญญาณได้ดวงวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวของร่างกายได้ก็ถือว่าตัดกันไม่ติดต่อกันสัญญาณไม่ไมรับส่งกันดวงวิญญาณ จิตที่อยากจะได้ร่างกายใหม่ก็ส่งกระแสจิตไปหาร่างกายใหม่ต่อไปดูว่าใครกำลังท้องอยู่พอใครตั้งท้องก็ไปเกาะเลยไปเกาะติดกับตัวที่กำลังตั้งท้องอยู่ร่างกายอันใหม่แล้วก็รอให้มันก้าเดือนพอมันโตก็ออกมาจากท้องแต่จิตไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกนี้เอาไปโลกนี้เกิดตายกันไปหมดไม่มีอะไรจิตก็ไม่ได้ตายไปกับลกนี้ ถ้าเกิดโลกนี้ระเบิดหลือ ว, ว่าอยู่ไม่ได้ผาทิตย์ดับถ้าผาทิตย์ดับโลกนี้จะอยู่ได้ไหมหนาวอย่างนี้ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีแสงสว่างไม่มีความร้อนสิ่งที่มีชีวิตก็ต้องตายหมดนแต่จิตที่มาเกาะติดอยู่สิ่งชีวิตมันก็ไปหาโลกอื่นหาหาสัตว์ที่มีอยู่มนุษย์ที่มีอยู่ในโลกอื่นต่อมันมีเยอะแยะไปเป็นหน้ากุทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะไป พิสูจน์ได้เพราะมันแต่ละโลกมันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินแต่จิตนี่มันไปได้ของมันโดยอัตโนมัติมันเหมือน g o o กูเกิลมันหาหมดในลองลองมีอะไรอยู่ในอินเทอร์เน็ตนี่มันหาได้หมดอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีมนุษย์อยู่ที่ไหนเดี๋ยวจิตนี่มันไปหาได้เองถ้าโลกนี้ไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์แล้วเดี๋ยวมันก็ไปหาอีกโลกที่มีมนุษย์มีสัตว์ คิดหรือว่าทั้งจักรวาลที่มีดวงดาวเป็นแสนเป็นล้านดวงนี้จะมีโลกนี้โลกเดียวที่มีมนุษย์มีสัตว์อยู่ดวงอื่นไม่มีเหรอใช่ไหมมันมีงั้นมนุษย์มันก็จะต้องหมดไปเสร็จถ้าเกิดโลกนี้มันจบแล้วทําไมยังมีมนุษย์มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้เป็นกลับเป็นกันอยู่เรื่อยๆมันไม่หมดห่อมันมีมีมนุษย์มีสัตว์อยู่อีกหลายโลก เหมืนกับโลกที่เราอยู่ก่นอนนี้เราตายไปชาตินี้ชาติหน้าอาจจะอาจจะไม่นอนได้เป็นมนุษย์ในในโลกนี้ก็ได้อาจจะไปได้เป็นมนุษย์อีกโลกหนึ่งก็ได้เอมีการกินการอยู่ masking, แบบคนระบาดกันก็ได้อาจจะไปอยู่ในยุคที่เจริญกว่าของเราก็ได้หรืออาจจะไปอยู่ในโลกที่ที่ถดถอยที่ราช้ากว่าโลกของเราก็ได้อาจจะกลับไปเจอพวกไดโนเ ส, สาร์อะไรก็ได้เออ เรื่อจะไปอยู่ในโลกที่ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่สั่งให้เครื่องจักรทำทุกอย่างเอิบขึ้นมาให้แปลงความให้หน่อยสิมันก็มั น, ม, นมีทุกโลกอะ่ะทุกแบบอาจารย์ไหมคำถามจากคุณประยัดค่ะนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธตอนภาวนาว่าโทลมหายใจออกก็รู้สึกที่ปลายจมูก จึงแยกไม่ออกระหว่างการดูลมเฉยๆกับการภาวนาพุทโธแยกกันอย่างไรครับก็อย่าไปทำทั้งท oh ั้งสองอย่างเลเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะพุทโธก็ไม่ต้องไปดูลมให้อยู่กับพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปให้อยู่กับคําพุทโธไปถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุทโธดูลมที่ปลายจมูกหรือว่ามันเข้าหรือว่ามันออกอันนี้มันจะยากตรงไหนว่าดูลมเข้าลมออกดูหนังดู อะไรมันยากกว่ายังดูได้เลยพอมาให้ดูลงก็ได้งงไหมหน้าตีหัวกันคำถามจากคุณวีรพรนะครับแล้วอย่างกรณีชาวต่างชาติที่เขาไม่ทําทานแต่มุ่งภาวนาอย่างเดียวอย่างนี้จะถือว่าเขาข้ามขั้นตอนของมรรคไหมคะทานศีลภาวนาแล้วการข้ามขั้นทานนี้ภาวนาแล้วจะพบ กลับสงบที่แท้จริงไหมคะก็ถ้ามันข้ามันก็อาจจะไม่ได้ผลคืออาจจะมานั่งสมาธิแป๊บเดียวพอกลับบ้านก็ไปหาเงินไปใช้เงินต่อไปหาความสุขจากเงินทองต่อถ้ามันยังเสียได้เงินยังหังเงินอยู่ที่ถ้าไม่ถ้าไม่ทำบุญทาทานเพราะยังหังเงินโวงทองอยู่มันก็จะเป็นเหมือนสมอเรือ มันก็จำไปภาวนาอย่างจริงจังไม่ได้เพราะการจะไปภาวนาอย่างจริงจังมันก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดถ้ายังห่วงเงินทองอยู่เดี๋ยวมันก็ภาวนาไปไม่ได้มันไม่ปล่อยวางยังมีความโลภมีความยึดติดอยู่ยังมีความอยากอยู่จากคุณศิริศักดิ์นะครับ ถ้าผมตายวันนี้และชาติหน้านมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์จะได้อยู่ในยุคพุทธศาสนาใหม่ครับ <flop. S 1> ก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเพราะเราไม่มีใครทํานายได้ว่าศาสนาพุทธจะมีอันใหม่ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่อันนี้พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าไม่เกินห้าพันปีถ้าเกิดคุณไปใช้บุญใช้บาปกลับมาเกินห้าพันปีก็ไม่มีพระพุทธศาสนาลนะหืออาจจะมาเกิดอีกโลกหนึ่งที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ได้ โลกนี้อาจจะังจะมีอยู่แต่เราไม่ได้มาเกิดในโลกนี้อาจจะไปเกิดอีกโลกหนึ่งก็ได้โลกที่เหมือนที่มีมนุษย์อยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาหรืออาจจะมาเกิดในโลกนี้แต่ไปเกิดในประเทศที่ไม่มีศาสนาพุทธก็ได้อันนี้ก็มันตัวแปรมันเยอะฉนั้นอนาคตนี้ท่านท่านบอกมันคดไปคดมามันไม่แน่นอน เอาปัจจุบันนีกว่ามันแน่นอนตอนนี้มีอะไรรีบตักตวงใชตอนนี้มีพระพุทธศาสนากับไม่กังวลกับไปกังวลตอนที่ไม่มีพระพุทธศาสนาตอนนี้มี พ, พุทธศาสนาใช้ประโยชน์กับไม่ใช้จะมากังวลใช้ตอนที่ไม่มีมันบ้าหรือเปล่าเห็นไหมตอนนี้มีพระพุทธศาสนาก็รีบใช้มันสิรีบปฏิบัติตามคําสอนสิก็เสียดายเสียดายเงินจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเงิน มันก็เลยอย่างเงี้ยก็เลยภาวะพะวนไปปัจจุบันมีโอกาสจะได้ประโยชน์ก็ไม่เอามาขอผัดวันเบ้าก็ขอผัดไปวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็กังวลว่าจะมีพุทธศาสนาหรือเปล่าอีาจากจะคุณสิริพรนะครับถ้าอยากให้สัต์เลี้ยงได้มีโอกาสสัตสมบูรณ์ควรทำอย่างไรเจ้าคะ <laughs> ก็เวลาใส่บาตรให้มาใส่บาตรกันน้ออุ้มมันแล้วก็เอาเอามือมันจับอตักบาตรเอาใส่ของมันเราสอนเด็กอะแต่แม่เด็กๆเราก็สอนแบบเดียวกันเนี่ยพ่อแม่ก็อุ้มลูกมาใส่บาตรกันสอนไปมันก็มันก็จะได้นิสัยขึ้นมาแต่การพัฒนาการของสัตว์มันน้อยกว่าคนเด็กมันพัฒนาเร็วพอมาเริ่มโตเริ่มโตมันเริ่มเข้าใจเข้าใจมากขึ้น แต่ปัญญาของสัตว์มันไม่พัฒนาเร็วเหมือนของมนุษย์มันไม่เข้าใจดงนั้นยากเองแต่คอยป้องกันอย่าให้มันไปทำบาป ก, ก็แล้วกันจกคุณพิทักษ์นะครับคุณสมบัติของพระอนาคามีและพระอรหันต์มีอะไรครับก็พระอนาคามีละสังโยชนห้าห้าได้คือละส ก, กายะทิฏฐิ วิจิกิจฉาศีลภัตตารามาปฏิคะแล้วก็การมราคะส่วนพระอรหันี์นิลสังโยชน์ทั้งสินอกจาก5้าข้อของพระอนาคามีแล้วก็ละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทาจาัจจะอวิช า, าก็ได้เป็นพระอรหันอาจจะรู้ความหมายก็ไปเปิด Google ดูแล้วกันที่เกียดไป แต่คุณวันนี้นะครับไม่กล้านั่งสมาธิกลัวไม่ตื่นดูลมหายใจเข้าออกแล้วเหมือนได้ยินแต่ลมหายใจตัวเองเลยกลัวไปกลัวทำไมนั่งสมาธิไม่ได้นั่งหลับมันไม่ได้หลับจะไม่ตื่นได้ยังไงเวลานั่งก็มีสติไม่ใช่ให้ไปนั่งหลับนั่งสมาธินี่ไม่หลับเวลาจิตรวมเป็นสมาธิก็ไม่หลับจิตตื่นตลอดเวลาเพียงแต่จิตสงบจิตไม่คิดปรุงแต่งเท่านั้เองดั้นการนั่งสมาธินี่ไม่ได้เป็นการนั่งหลับ เ น, นี้ยไม่ต้องกลัวไม่ตื่นเพราะมันไม่หลับมันตื่นอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่มันหลับเพราะมันไม่มีสติอะไรอย่างนีมน้มันนั่งแล้วไม่มีสติมันก็ครอบครับอย่างนี้ไปคถามจากคุณกรรมวันค่ะการซื้ออาหารเช่นขนมนมน้ำดื่มมาวางไว้ที่ทำงานโดยให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทำงานใ น, ในหน่วยงานทานสัปดาห์ละสามวัน โดยให้หยิบทานกันเองจะได้บุญไหมคะได้เราได้บริจากทรัพย์ของเราไปซื้อข้าวซื้อของบุญอยู่ที่การบอยจากอยู่ที่การเสียสละไม่ได้อยู่ที่ผู้รับใครรับก็ได้เอาไปให้นกให้กาให้แมวก็ได้ใครก็ให้พระก็ได้แต่ผู้ที่ผู้ได้บุญก็คือผู้ที่เสียสละประโยชน์ของตนให้แก่ประโยชน์ให้ให้แก่ผู้อื่น สลับทรัพย์ของตนให้แก่ผู้อื่นไปจากคุณ <c oughs> จังหวะเดียวอ <c oughs> ะไรจากคุณปัทมาภพร์นะครับสมัยก่อนลูกสวดวัดเย็นและอีกหลายบทแล้วค่อยนั่งสมาธิเจ้าค่ะพอสวดเสร็จก็จะนั่งได้ดีแต่พอมาฟังพระอาจารย์แสดงธรรมแล้วลูกก็ภาวนาพุทโธ ท, ทั้งวันเมื่อมีเวลาถ้าต้องทำงานก็จะจดจ่ออยู่กับอริยบทย่อยต่าง ตอนนี้เลยสวดย่อและนั่งสมาธิเลยค่ะลูกสงสัยว่าลูกควรสวดวัดเย็นแล้วค่อยนั่งหรือถ้าลูกเห็นถึงสภาวะที่นิ่งสงบก็นั่งสมาธิได้เลยเจ้าคะถ้านั่งได้เลยก็นั่งได้เลยการสวดนี้เพราะว่านั่งไม่ได้นั่งแล้วฟุ้งก็เลยต้องสวดก่อนแต่ถ้าไม่ฟุง้งนั่งแล้วดูลมได้จับลมได้พุทธโธได้ก็ไม่ต้องมาสวด คำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะอยากให้พระอาจารย์แนะนำวิธีปล่อยวางครับก็อย่าไปจับเลยอย่าไปจับทุกอย่างอย่าไปแตะอย่าไปต้องปล่อยทุกอย่างให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราก็ต้องปล่อยการจะปล่อยวางได้ก็ต้องมองว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราถ้ายังเป็นของเรามันก็ยึดมันก็ติด เราต้องเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราทําไมไม่เป็นของเราก็ดูตอนที่เรามาเรามีอะไรติดตัวมาหรือเปล่าเรามาตัวเปล่าๆเนี่ยแม้แต่ร่างกายนี้เราก็ไม่ได้มีไม่ได้เป็นของเราเนี่ยเป็นของพ่อแม่แล้วทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราหากันมาได้ทุกวันนี้เวลาเราตายไปเราไปได้หรือเปล่าใช่ไหมมองให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็จะได้ปล่อยวางได้ แต่เราไม่คิดกันเราไปคิดว่าพอได้อะไรมาเป็นของถันเป็นของกูทันทีเลยเนี่ย <Yeah. S 2> เป็นห่วงกัน <Yeah. S 2> แล้วเวลาเสียเวลาเสียไปก็เสียใจกันท <Yeah. S 2> ั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นของเราทั้งทั้งที่จะเป็นของที่เราจะต้องเสียอยู่ดีไม่ช้า ก, ก็เร็ว <Yeah. S 2> นั่นหัดปล่อยวางวิธีปล่อยวางเงินทองก็คือเอามาทําบุญเยอะ <Yeah. S 2> ๆอย่าเอาไปใช้ซื้อของที่อยากได้เพราั <Yeah. S 2> ้นไม่ได้ปล่อย าอาไปซื้อของเพื่อตามความอยากนี่ไม่ได้ปล่อยถ้าอยากจะปล่อยต้องเอาเงินไปทําบุญเอาเงินไปให้คนอื่นเนี่พระเจ้าอย่างึงสอนให้มาทําบุญเพื่อจะได้ปล่อยวางเรื่องเงินทองค่ะคำถามจากคุณเล็กค่ะภรรยาที่หมดรักสามีแล้วขอแยกทางกันเรียกว่าหมดกรรมต่อกันใช่ไหมคะภรรยาชอบไหว้พระสวดมนต์สามีชอบแต่เดือนสุราค่ะ ก็หมดกันชั่วคราวแต่ไม่รู้จะหมดหมดหรือเปล่าแล้วก็วันดีคืนดีไฟเก่าอาจจะลุกขึ้นมาก็ได้ทานไฟเก่าจะคุณทัญรัตน์นะครับชอบฝันเห็นเทพหลายหลายองค์อย่างเช่นพระพิคเนและพระเกจิหลายองค์ที่ล่วงรับดับขันไปแล้วลูกชอบเข้าวัดทําบุญแล้วมาเล่าให้ฟังบ่อยๆมีจริงหรือไม่เจ้าคะก็จริงในใจเราก็แล้วกันะจะจริงไม่จริงก็ไม่สาคัญ ก็เป็นแค่ความฝันก็อย่าไปยึดเอย่าไปติดให้พิจารณาว่าเป็นตายรักไปมีเกิดมีดับะมีมามีไปห้ามมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปส่วนมันจะจริงจริงหรือไม่จริงมันก็เป็นมันก็อีกเรื่องหนึ่งไม่สําคัญถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปหวังอะไรจากมันมันจะจริงไม่จริงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจากคุณพัฒนานะครับบางครั้งนั่งสมาธิภาวนาพุทโธ กำหนดที่ปลายจมูกพอจิตสงบคําภาวนาพุโทโธและกายหายชั่วขณะหนึ่งหลังจากที่จิตกลับมารับรู้กายแล้วก็จะมาภาวนาพุโทโธต่อพอจิตสงบก็กลับไปเหมือนเดิมอยากถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่ปฏิบัติถูกต้องไหมคะโยมควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อคือขณะที่ร่างกายหายไปสติไม่หายก็ถูกแต่ถ้าร่างกายหายไปสติก็หายไปด้วยก็ไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ถูก ที่มันหายไปแล้วกลับมาเพราะว่าสติมันหมดกำลังมันก็เลยกลับมาถ้าเราจเจริญสติตอนนี้มันก็หายไปใหม่เพราะจิตจะเข้าข้างในจิตจะปล่อยร่างกายมันร่างกายก็เลยหายไปคำถามจากคุณแ็ทค่ะเวลานอนแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรมาจาับแขนจับขาจะลุกก็ลุกไม่ได้จะพูดก็พูดไม่ได้เลยสวดมนต์นะโมตัสสะในใจไปเรื่อย จนรู้สึกตัวตื่นแบบนี้เรียกว่ามีสติในฝันหรือเปล่าคะออถ้าถ้าส่วนนนได้ก็แสดงว่ามีสติในฝันถ้าฝึกดีๆสติปัญญาที่เราฝึกอยู่นี้มันจะเกิดขึ้นในในในในฝันได้เช่น ถ, ถ, ถ้ามีปัญญาปล่อยวางร่างกายได้บางทีฝันว่าจะถูกเขาฆ่าตายมันก็มันก็ปล่อยเลยมันก็อ อ, อยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยมันจะไม่วิ่งหนีมันจะไม่กลัว มันเป็นผลที่เกิดจากการฝึกฝนในขณะที่เราตื่นเวลาเราหลับมันก็จะเป็นโดยอัตโนมัติไปคําถามจากคุณนันทนานะครับอยากมีเงินเยอะๆรู้สึกว่าทําให้อารมณ์ดีไม่วิตกกังวลทําให้เราอยากจะทําบุญอยากช่วยเหลือผู้อื่นที่ลําบากกว่าเราถ้าไม่มีเงินใช้คงไม่มีกระจิตกระใจทําบุญหลอกเจ้าค่ะโยมคิดว่าให้เราเลี้ยงตัวเองให้อิ่มก่อน ดีกว่าโยมคิดถูกไหมคะก็เบ <medim> ื้องต้นก็ต้องเล้ยปากเล้ยงท้องให้อยู่ได้ก่อนแล้วถ้ามันเกิดมีเหลือก็เอาไปทําบุญแต่ไม่ได้ให้ตังเปาไปหาเงินเพื่อที่จะได้เอาไปทําบุญอันนี้ผิดเป้าหมายของการหาเงินก็เพื่อหามาเพื่อเล้ยปากเล้ยงท้องแต่บางทีหาเก่งมันโชคดีขายของแล้วขายดีมันก็เลยได้มากกว่าที่เราต้องการ แล้วก็เอาส่วนที่เกินนี้ไปทาบุญไม่ได้ให้ตั้งเป้าว่าจะต้องหาเงินเยอะๆมาเพื่อจะเอาไปทาบุญเพื่อไปช่วยคนนั้นคนนี้ถ้าทาอย่างนี้มันก็จะติดกับการหาเงินหาทองแล้วมันก็จะไปภาวนาไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าไม่ได้แต่ให้เราหาเงินเพื่อที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแต่บางทีโชคเราดีเราทำแล้วมันได้มากกว่าที่เราต้องการ ทำค้ามาค้าขายมันขายดิบขายดีมันก็เลยมีเดือยเยอะเอาส่วนที่เกิดนี้ไปทำบุญหรือ ว, ว่าจะเก็บไว้แล้วก็หยุดทำงานเอาเงินที่ส่วนเกินนี้มาเลี้ยงจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมมารักษาสิ่กันนี่คือเป้าหมายของการทำบุญจากคุณบพลนะครับอาการความรู้สึกที่เกิดขึ้นแม้จะทำความดีหรือทำบาปเล็ก แล้วความรู้สึกทุกไปหมดเสียทุกเรื่องแม้กระทั่งอยู่เฉยๆยังทุกททั้งทําดีไม่ดีมีวิธีการแก้อย่างไรครับรู้สึกว่าสุขไม่มีเลยทุกอย่างเดียวถ้าสุขก็แป๊บเดียวอยากให้ใจสุขอยู่นานๆก็ลองฝึกสติทําใจให้สงบถึงจะได้สุขจริงถ้าสุขทุกแบบนี้มันเกิดจากความคิดปรุงแต่ง ถ้าคิดไปในทางที่สุขมันก็สุขคิดไปในทางที่ทุกข์มันก็ทุกข์ถ้าทุกข์บ่อยๆก็แสดงว่าเราชอบคิดไปในทางที่ทุกข์แต่ถ้าจะให้มันสุขจริงเราก็ต้องหยุดคิดเราต้องมานั่งสมาธิทำใจให้สงบแร้วฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปไม่ให้ไปคิดอะไรแล้วพอใจไม่คิดมันก็จะสุขขึ้นมาเองทุกข์ก็จะหายไปคาถามจากคุณพรทัศค่ะ อานิสงของการสร้างโบสถ์เป็นอย่างไรบ้างคะก็หมาจะได้มีที่ไปขี่ไปเยี่ยมได้นกขึ้น่างมันก็จะได้มีที่ไปหลบไปอยู่ได้พระก็เอาไปใช้บวชเอาไปใช้บวชพระได้ไปทําสังฆกรรมต่างๆได้แต่ไม่มีโบสถ์ก็ทําสังฆกรรมได้โบสถ์นี่ไม่จําเป็นจะต้องมีเสมอไปไม่มีโบสถ์ก็ยังบวชได้เพราะ บสที่แท้จริงเนี่ยก็คือที่ที่พระสงฆ์กําหนดขึ้นมาว่าเป็นที่ทําสังฆกรรมเช่นศาลาหลังนี้จะทําให้เป็นสรงฆกรรมก็เอาพระมานั่งประชุมกันแล้วปรึกษากันว่าเอาเอาที่นี้เป็นที่บวชพระดีไหมถ้าทุกคนเห็นด้วยบวชก็ถือว่าเป็นที่บวชพระได้ฮะดะงนั้นโบสถ์ก็มีไว้สําหรับเป็นที่ทําสังฆกรรมทํากิจกรรมของสงฆ์ต่างๆแต่ไม่มีโบสถ์ก็สามารถทําได้ คำถามจากคุณแจงค่ะมีคนเขาบอกว่าเบิกบุญมาใช้ก่อนได้จริงหรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่รู้หมายครับว่ายังไงเบิกได้ก็ดีสิคำถามจากคุณเดือนค่ะทุกอย่างเป็นของสมมติใช่ไหมเจ้าคะก็ทุกอย่างของในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็มีดับไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา ถ้าไปยึดไปติดก็จะเป็นทุกข์จะเรียกว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นสมมุติหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คำถามจากคุณอภิสิทธ์ค่ะตอนนอนผมชอบภาวนาพุโทโธจนหลับแต่ทำไมเหมือนไม่หลับได้ยินทุกอย่างแต่ตาหลับแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็บางทีสติเรายังมีอยู่ ม, มันก็เลยรูเรื่องที่เรากาลังฝันอยู่ที่เรากำลังคิดอยู่ถ้าหลับแบบหมดสติก็ไม่รู้เรื่องเลย แบบสไลดคําถามจากคุณสุรชาติค่ะเวลานั่งสมาธิทําไมเหมือนเราไม่มีลมหายใจครับแล้วตัวก็เบาก็ลมมันละเอียดก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกันไม่มีลมหายใจแต่ลมยังมีอยู่เต uh uh uh ่ว่าถ้าไม่มีลมหายใจก็ต้องตายแต่มันอาจจะหายใจละเอียดและหายใจน้อยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้หายใจก็ได้ คำถามจากคุณเฉลิมพลค่ะตายแล้วดวงจิตไปเข้าร่างใหม่เลยใช่ไหมครับถ้าใช่ทำไมยังมีสภาวะสีหรือวิญญาณเร่เร่อนครับยังก็แล้วแต่บุญกับบาว่ายังมี อ, อิทธิพลต่อจิตหรือเปล่าถ้าบุญมีอิทธิพลก็ดึงไปสวรรค์ก่อนถ้าบาสมีอิทธิพลก็ดึงไปอบายก่อนจนกว่าบุญกับบาไม่มีอิทธิพลที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งดึงมาเป็นมนุษย์ได้ คำถามจากคุณนภพัฒ์ค่ะหนูเคยบอกพี่ชายเรื่องบุญเรื่องบาปและคอยบอกให้ให้ทำบุญกับพระศราสนาอยู่บ่อยๆแต่เขาก็เฉยแต่เขาก็ชอบไปช่วยเหลือชาวบ้านใครมีงานมีการใครป่วยใครตายเขาก็ไปช่วยเหลือในงานตลอดเขาชอบเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชาวบ้าน <c oughs> อย่างนี้จะถือว่าทำบุญและได้บุญแบบไหนคะก็ได้บุญเหมือนกันแต่จะไม่ได้บุญที่ ที่เรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากการทําบุญช่วยเหลือคนแล้วมันยังมีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมที่เขายังขาดอยู่ถ้าเขาไม่มาวัดเขาก็จะไม่ได้แตมบุญเหล่านี้นมว่ะจากคุณบัณฑิตค่ะผมบริจาคโลหิตและน้ำเหลืองมาประมาณหกสิบครั้ง ตอนให้อยู่นั้นผมทำสมาธิบ้างแผ่เมตตาบ้างสวดมนต์บ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้อธิษฐานว่าขอถวายเลือดเนื้อนี้เป็นพุทธบูชาแล้วเกิดปิติอย่างรุนแรงพอหายแล้วก็เกิดเวียนหัวขึ้นมาเลือดกลับหยุดไหลยพยาบาลได้แทงใหม่เข้าเส้นเลือดใหญ่และเค้นให้เลือดไหลก็ไม่ไหลออกมาได้ประมาณ 400cc เป็นเพราะอะไรครับเกิดจากปิติหรือเปล่าครับ ไม่เพราะมันอาจจะความดันของเลือดมันหมดมันก็ดันไม่ออกเลือดมันหมดเนมันมันก็เลยไม่ไหลออกมาไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตเยคนละเรื่องกันเหมือนกันนะน้ำที่เราลองจากถังถังมันหมดน้ํามันไม่มีความดันที่จะดันน้ําออกมามันก็มันก็ออกมาไม่ได้แสดงว่าร่างกายมันคงจะหยุดเพราะว่าถ้าออกมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดโทษกับร่างกายก็ได้ ความดันมันต้องมีมันต้องมันมันต้องมีในระดับของร่างกายให้มันมีอยู่ถ้ามันต่างกว่านั้นมันก็ไม่ไหลออกมาแนละ้วคำถามจากคุณพัชาราค่ะช่วงฟุงฟ้งๆภาวนานด้วยพุทธทางสารนางังคัจฉานี้ลากจิตให้รวมได้ดีกว่าพุทธโททาได้ไหมคะครั้งต่อไปควรกลับมาพุทธควรกลับมาพุทธโทเฉยๆหรือไม่คะก็ตอนต้นถ้ า, นถามันฟุ้งก็ต้องสวนยาวๆไปก่อน สวดไปจนกว่ารู้สึกว่ามันหายฟุ้งแล้วพอยกลับมาพุโทโธเริ่มกลับมาดูลมหายใจต่อคําถามจากคุณสีนาศค่ะมีข่าวบ่อยๆแม่ค่าลูกแม่เอาลูกไปขายเพื่อเป็นโสเภณีกรณีนี้จะถือว่าลูกต้องตอบแทนพระคุณแม่ใช่หรือเปล่าคะเกินมาลูกยังไงก็ต้องเป็นนี่บุญคุณของแม่อยู่ แต่่ตไม่ได้วิธีตอบแทนบุญคุณไม่ได้ไปทําบาปตามที่แม่สั่งแต่เลี้ยงพ่อแม่ถ้าต่อไปพ่อแม่เลี้ยงดูตัวเองไม่ได้แล้วลูกมีปัญญาที่จะเลี้ยงได้ก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ไปทดแทนบุญคุณไปแต่ไม่ได้ทดแทนด้วยการไปทําบาปเช่นพ่อแม่บอกให้ไปเป็นสมเพณีนี้ลูกสามารถปฏิเสธได้อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นอากาตันอยู่หรือว่าไม่เป็นการทดแทนบุญคุณ เพราะไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คือให้ลูกไปเรียนหนังสือไปหางานทำแล้วพอลูกมีเงินทองก็มาเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ถึงจงเรียกว่าวิธีถูกต้องถ้าทดแทนบุญกุลด้วยการไปทำบาปมันก็ขาดทุนได้ไม่คุ้มเสียคำถามจากคุณทนพิทักษ์ค่ะ ผมชอบฟังธรรมะเป็นประจำและนำมาปฏิบัติและผมชอบโพสธรรมะผ่านเฟ e b o o k ไลน์และจะสอนธรรมะให้คนอื่นอย่างนี้เรียกว่าการให้ธรรมทานไหนครับก็เป็นการให้เหมือนกันคำถามจากคุณแจงค่ะพระอาจารย์บอกว่าพระโสดาบันต้องเกิดอีกเจ็ดชาติ ถ้าในชาติใดชาติดึงเกิดทำบาปจะเป็นอย่างไรคะแล้วจะได้เป็นพระโสดาบาันอีกไหมเจ้าค ะ, ะพระโสดาบาันไม่ทำบาปเด็กาท่านเห็นท่านมีปัญญาที่เห็นว่าการทำบาปนี่เป็นอันตรายต่อจิตใจมากกว่าการกระทำต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำบาปได้ไม่คุ้มเสียถตอเมื่อท่านถ้าท่านจะอดตายท่านก็ยอมอดตายเดียวกาไปยิงนกตกปลาเอาปลามากิน ดังนั้นพระโสดาบันนี้จะไม่ทําบาปล้วที่ว่าเจ็ดชาตินี้ไม่ก็ไม่นายพราว่าจะต้องเจดชาติพระโสดาบาันบางทีเป็นโสดาบาันได้วันสองวันก็เลื่อนไปเป็นสกษษษษษษษิรดาฆามีแล้วก็ได้แล้วแต่ว่าท่านจะปฏิบัติได้เร็วหรือได้ช้าบางทีเป็นโสดาบาันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปถึงพระพ า, าราหันได้แนละ้วแต่นี่พูดถึงโดยหลักทั่วไปว่าถ้าเกิดเป็นโสดาบาันแล้วมีเหตุทําให้ไม่สามารถปฏิบัติต่ตอได้ อาจจะตายไปก่อนอะไรอย่างนี้ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ไม่เกินเจ็ดขั้งก็จะพ้นจากการเป็นสวดาบันจะต้องขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงกว่าต่อไปคำถามจากคุณคนป่าค่ะเวลานั่งสมาธิสักพักแล้วเริ่มอยากออกจากสมาธิจิตใจกระสับกระส่ายเราจะมีวิธีให้นั่งสมาธิต่อไปได้อย่างไรคะก็บริกรรมพูดโธต่อไปเมื่อเริ่มต้นใหม่ ถ้าเรามีกำลังแต่ส่วนใหญ่มันจะหมดกำลังแล้วมันอยากจะออกแล้วอยากจะไปหากาแฟกินน่จะไห ม, ม, <laughs> มันก็เลยกระสับกระส่ายขึ้นมาไม่มีกระจิตกระใจที่จะพูดโทแแต่ถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องพุดโทต่อไปสวดมนต์ต่อไปก่อนมันถะามจะคูณอรุณีค่ะจะทาอย่างไรให้ลืมคาพูดของคนที่ดูถูกเราคะก็อย่าไปคิดถึงมันไงก็พูดโทพุดโทไป ทุกครั้งที่เราจะไปคิดถึงคําพูดของเขาแล้วก็พูดโทพูดโธไปแทนเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไม่ไปคิดถึงมันเองหมดแล้วไหมมาเย ว, ว่ะอ่ามาก็มาเรื่อยๆถ้าหมดเมื่อไหร่ก็บอกก็แล้วกันคำถามจากคุณลังค์ค่ะพระมาบินธบาต ท, ที่บ้านทุกวันก็ใส่บาตรทุกวันไม่ได้ไปทําบุญที่วัดได้บุญไหมคะเท่ากันอะไปที่วัดถ้าไปที่วัดอาจจะได้บุญอย่างอื่นเพิ่ม อาจจะได้ฟังเทศฟังธรรมมัถามหมดค่ะหมดพอดีน ะ, ะเดี๋ยวนั่งพักเลี้ยวเปิดโอกาสให้คนที่อาจจะกำลังพิมพ์ข้อความอยู่อสองมาแล้วค่ะถามได้เลยทําถามจากคุณณพลค่ะสมมุติถ้าผมเป็นพราทูตดง พระพุทธเจ้าอนุญาตให้เก็บผลไม้ที่ร่วงลงฉันก่อนเที่ยงได้ไหมครับต้องเอาไปให้คนเข้าประเคนให้ก่อนถึงแม้จะเก็บมาแล้วก็ยังต้องให้มีคนประเคนให้ก่อนคือพระนี่จะต้องอยู่ต้องอยู่ใกล้ญาติ อ, อ ย, ย, อ ย, อยู่ถึงแม้จะไปทุ่ดอกคนเดียวก็ต้องไปบินธบัติต้องไปอยู่ใกล้บ้านที่เราไปเดินบินธบาตได้สมมติระหว่างเดินบินธบาตเราไปเห็นผลไม้เราก็เก็บขึ้นมาได้ ออไปหมู่บ้านก็ให้ญาติโยมเขาช่วยบีใส่บาดให้อีกทีหนึ่งก็ได้จะได้ว่าไม่ได้ขโมยของคาถามจากคุณอำนวยค่ะเรากวดน้ำให้กับผู้ตายแล้วก็ให้เจ้าการรมในเวรของผู้ตายไหมครับไม่เราให้ผู้ตายเจ้าการรมในเวรก็เป็นเรื่องของผู้ตายเขาต้องไปจัดการกันเองคาถามจากคุณปาณีค่ะ ทำไมตัวหนูมันลอยเวลานั่งสมาธิลอยขึ้นมาประมาณสามนิ้วค่ะลอยจริงห <c oughs> รือเปล่าหรือเป็นความรู้สึกลอยจริงก็ลอยได้เพราะมีพระอาจารย์บางรูปท่านนั่งแล้วใจร่างกายท่านก็ลอยเพราะพลังจิตเนี่ยเวลาจิตสงบนี่จิตมันก็มีพลังที่ยันทาให้ร่างกายลอยขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นความรู้สึกเราปิดตาเราหลับตาอยู่เราไม่อกอดตามาดูก็เป็นเพียงแต่ความรู้สึก ก็อย่าไปสนใจให้ภาวนาต่อไปให้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆคำถามจากคุณพูดอยู่เหนือความมีและไม่มีได้ค่ะกรรมอันใดที่ทำให้คนต้องเจ็บป่วยทุขงทรมานจากเชื้อโรคคะก็เคยไปทำให้คนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยกรรมนั้นก็กลับมาหาเราคำถามจากคุณเฉลิมคนค่ะ ทำไมไม่มีแฟร์ธาตุที่มาจากผู้บรรลุธทําเป็นหญิงเลยจ๊ะมีนี่ที่วันนี้มีแม่ชีสองลูปเนี่ยแม่แม่ชีกอเขาสูนหลงกับแม่ชีแก้วตั้นตายไปก็ได้ข่าวว่าเป็นพระธาตุแต่มีน้อยเพราะผู้หญิงบวชน้อยผู้หญิงปฏิบัติน้อยเหมือนกับทหารเนี่ยมีผู้หญิงเป็นทหารน้อยกว่าเป็นผู้ชายเพราะมันเป็น <c oughs> เรื่องที่ ยากสำหรับผู้หญิงถึงมีมีพระธาตุน้อยกว่าขอแล้วหมนแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวนายนโย่เดี๋ย ว, อย ว, ยวขอถามต่อปัญหาครับำถามจากคุณนิมิวค่ะผมเคยเข้าไปกราบพระแล้วพระท่านให้พรว่าการได้พ้นสาระเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของชีวิตสาระคืออะไรครับก็ พ, พระพุทธธรรมทัมง้งสองคือได้ครบอาจารย์ ได้พบครูที่จะสอนเราบอกเราให้เราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนทำไม่ได้มาก่อนคือให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีใครมาสอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้คำถามจากคุณละสาค่ะลูกให้เงินใช้เราเอาไปทำบุญ ล, ลูกจะได้บุญไหมคะ อ, อ๋อลูกได้ตั้งแต่ให้ตอนที่ให้เราแล้วไง การที่ให้เรานี่ก็เป็นการทำบุญของลูกนะแล้วเราไปทำอะไรต่อก็เรื่องของเราคำถามจากคุณอารอุณีค่ะถ้าถือศีลแปดที่บ้านแต่มีภารแต่มีภารกิจที่ต้องออกไปนอกบ้านแต่ได้ยินเสียงเพลงถือว่าบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไปเปิดฟังเองมันมาถ้าเราไม่ได้ฟังด้วยความอยากฟังมไม่บาปมันภาดเดินดิบญบาก็ ในคนเปิดเปิดเพลงเปิดทีวีอยู่ก็ดูได้วมนที่ก็ยืนนานๆดูเอ้นี่นเรื่องอะไรวะคำถามจากคุณมิชูนาค่ะถ้าแม่ของเงินไปเล่นการพ น, นันเราไม่ให้เราจะผิดไหมคะไม่ผิดหรอกถ้าถ้าแม่ขาดอาหารก็ซื้ออาหารไปถ้าเรากลัวว่าเขาจะเอาเงินไปซื้ออย่างไปเล่นการพนันแต่เราก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงแม่ พอแล้วเลยอ่าพอแล้วนะพมีญาติโยมมาที่จะทำบุญทำทานอีกก็เอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับที่ทางบ้านปัญห า, าต่างๆเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อ่มีอะไรปะอ่ามีอะไรจะถามหรือเปล่าทางทางนี้ไม่มีแค่จะมาถวายเกรืองแล้วก็พี่ช่ก็แบบ ได้นั่งซื้อของท่านมาอท่านแล้วนอ่ อ, อย่างที่ท่านเขียนมแล้วที่โดนใจค่ะท่นนี้อันนี้มันเป็นเล่มสามออยากจะถามท่านว่ามีเล่มหนึ่งเล่มสองอะไรนี่ไหมคะนีก็เล่มสองอย่างนี้ค่ะแต่เล่มหนึ่งก็ตอนนี้พิมพ์หมดไปแล้วก็ต้องติดต่อที่โรงพิมพ์โรงพิมพ์ก็มีต้นฉบับอยู่ค่ะอันนี้ก็บ้านใจจะมาถวายเพียงค่ะ ถ, ถ, ถ้าต้องการเล่มสองก็มีอยู่ค่ะ ถ้าเรื่อหนึ่งก็ต้องโทรไปทางที่ลงพิมพ์หรือถ้าต้องดาวน์โหลดก็เข้าไปในเว็บไซต์ p ระ s ุชาติ .com ได้จะมีมีที่ดาวน์โหลดพอดีวันนี้ฉันกับเพื่อนๆมาก็คือตั้งใจมาถวายคือตามทางท้งนี้มาถึงวัดที่นี่ก็มาได้ดีิงก็เข้ามาได้นนั้ให้ให้ยกกันที่ไม่อยู่เดี๋ยวงั้นก็ เ, าเราเลิกประชุมกันก่อนดีไหมพวกเราจะได้เก็บข้าวเก็บของกนนะนะ ว่าญาติโยมไม่นดถามปัญหาอะไรนะง า, านในนี้ก็สามารถตอบคำถามได้ได้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปคินิิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ